เราไม่รู้วเราทําอะไรอยู่เพื่ออะไรทําเพื่ออะไรนก็ทำตามตามกันไปเขาเรียนหนังสือก็เรียนตามเข้าไปนะเรียนให้มากๆไว้ก่อนะเรียนไปทําอะไรก็ยังไม่รู้เลยเขามีงานทํำก็ทําตามเข้าไปเขามีครอบครัวก็มีตามเข้าไปนมีไปเรื่อยไม่มีลูกก็ไปบ่นบานให้มีลูกนะสมัยโบราณนะเดี๋ยวนี้ต้องไปหาหมอให้มีลูกอะไรเงี้ยเราะคนอื่นเขามีก็ต้องมีตามเข้าไป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 กายเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวแล้วคอยมีสติตามดนะูนี่บางคนมันได้ยินหเราสอนงี้มันนึกว่าเราสอนไม่ให้ทําสมถะบ้านศรีหลวงพ่อทําสมถะตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วมันเรื่องอะไรหลวงพ่อจะสอนไม่ให้ทําสมถนะนี่สอนกับบางคนหรอกที่ติดสมถะติดเพ่งยกตัวอย่างเนี่ยทําให้ดูนี่เพ่งแบบหมาบ้าดุนะอีกพวกหนึ่งเป็นแบบนี้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 งั้นถ้าคนไหนเคยเพ่งจนชินนะหลวงพ่อบอกอย่างน้ไปเลิกก่อนหยุดกันหยุดชั่วคราวใช่ไหมด็อกตัเอก่อนนี้ยจอมเพ่งเลยเพ่งเพงเพงเดี๋ยวนี้มาเจริญปัญญาเจริญรวดเลยไม่ยอมเพ่งอีกแล้วก็สุดโต๊ะอีกฝั่งเนาะงั้วเราอย่าสุดโต๊สองฝั่งนะรู้สึกถ้าเมื่อไหร่หลงใจลอยไป ล, ยลืมใจลืมใจอันนี้ยทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาต้องรู้รูปนาม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 เนี่ยถ้าปัญญามันเกิดนะมันเห็นมันก็วางนะไม่เอาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เอาไปทำไมไม่ยึดไม่ถือนะไม่ควรยึดถือว่าเป็นเรานะของที่เกิดแล้วดับตลอดเวลาเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรของที่ทนอยู่ไม่ได้เนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรมีแต่เกิดแล้วดับตรงที่ไม่มีตัว ต, วตนถาวรนั่นแหละเรียกว่าอนัตตาเนะี่งั้นเราภาวนานะเรามาดูของจริง